เข้าใจวิปริตใช่ไหมเหมือนเห็นพยับแดดว่ามีน้ำํำมาขับรถไปโอ้โหน้ําท่วมถนนหมดแล้วนะไปถึงตรงนั้นนี่ร้อนดีนักแลพอลองเท้าเดินไม่เชื่ อ, อถ้าเจริญอย่างนั้นดีเนี่ยนะถ้าเจริญนิพพานุปัสสนาละอะไรได้ละนันที่ได้ถ้าเจริญวิราคานุปัสสนาละราคะได้ถ้าเจริญนิโรธานุปัสสนาละ สมูทยได้ถ้าเจริญปฏินิสค า, านุปัสนาละอาธานะความยึดถือได้รับรองเลยคนที่เรียนตอนเรียนธรรมะตอนอายุมากสมองไม่ฝ่อเด็ดขาดเขบอกเพราะเรียนภาษาต่างประเทศเลือดสูบฉีดสมองมากมันก็เลยไม่ให้ไม่ทำให้สมองไม่ฝ่อหมอสมัยใหม่เขาแนะนำว่าถ้าใครกลัวอายุมากมากขึ้นแล้วสมองฝ่อเป็นต้นเนี่ยนะให้เรียนภาษาต่างประเทศธรรมะนี้ดีนักแรใช้สติใช้ปัญญาสูงมาก บอกว่าคนที่เรียนธรรมะนะโดยลกขยันสวดมนต์เป็นต้นนะพวกนี้ความจําไม่ค่อยเลอะเลือนความจําไม่ไ ม, ไม่ไม่เลอะเลือนตามโยมลวว่าทําไมชอบสวดมนต์เขาบอกทําให้ปัญญามันดีขึ้นทําให้จําอะไรแม่นขึ้นเพราบอกว่าบางทีนะอายุมากๆขึ้นเพื่อนชื่อเพื่อนยังจะจําไม่ได้เพราะสวดมนต์มากๆเข้านะนึกถึงไกลก็นึกออกอย่างคล่องแคล่วเพราะฉะนั้นอยากขี้เกียจสวดมนต์นะถ้าเขาพาสวดพูดถึงต่อไปว่า คนที่พิจารณาจนละ ว, วิปลาดได้จริงก็ถือว่าถึงฝั่งแห่งสัมมสัยานแล้วสัมมาแปลว่าอะไรสัมมสัญสัมมสัญแปลว่าอะไรแปลว่าตีรณะแปลว่าพิจารณาญาณที่พิจารณาแล้วเขามีคําถามว่าข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาคืออะไรคือการพิจารณาพิจารณาและพิจารณาให้มากตามพิจารณาพิจารณาอยู่นั่นแหละ ยามที่ถึงการพิจารณาเนี่ยนะเรียกว่าสัมมาสัญญาณพิจารณาพิจารณาว่ายังไงพิจารณาจนเห็นว่าพี่วิจัยยังไงก็เห็นแต่สับความเป็นอนิจจังตกลงใจได้เลยอนิจจังแน่นอนเนี่ยนะตกลงใจได้เลยพิจารณาอย่างไงก็เห็นแต่ทุกข์ก็เลยทุกขังแน่นอนอนัตตาแน่นอนนะพิจารณาจนได้บทสรุปว่าค้นยังไงก็ไม่เจอความสุขค้นคว้าอย่างไรก็ไม่เจอความเที่ยง ค้นคว้าอย่างไรก็ไม่เจออัตตาค้นอยู่นั่นแหละค้นแล้วค้นอีกพยายามจะหาช่องว่ามันเป็นของเที่ยงได้ยังไงก็หาไม่เจอค้นหาว่าจนมันเป็นสุขได้ยังไงก็หาว่าหาไม่เจอว่ามันสุขยังไงหาค้นจนหาหาเพื่อให้เห็นอัตตาหาอย่างไงก็หาไม่เจออันนี้แหละก็เรียกว่าหาจนละเอียดละอีทถ้วนก็เรียกว่าถึงฝั่งถึงฝั่งก็ย่อมปรารบความเพียรเพื่อบรรลุอุทยพยานนะ ที่ท่านภาษารีบทกล่าวไว้ในลำดับแห่งสัมมสนญาณว่าปัญญาในการตามพิจารณาเห็นความแปรปรวนไปแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจุบันชื่อว่าอุทยพยานุปัสนาญานตรงนี้เน้นพิเศษเน้นที่ไหนเน้นปัจจุบันนะอุทยพย า, ยานนี้เน้นปัจจุบันแต่ไม่ใช่อุทยพย า, ยานไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตนะไม่ใช่แต่หมายเขาว่า อุทยพยาญเน้นปัจจุบันและเมื่อจะปรารโดยสังเขปก่อนการเจริญนิภพานเนี่ยนะการพิจารณาอุทยพยญญ า, ยานเนี่ยต้องพิจารณาโดยย่อก่อนแล้วค่อยไปขยายเป็นพิสดาร น, นะข้อพะบางเรื่องเนี่ยนะถ้าเราจับใจความโดยสรุปโดยย่อได้เนี่ยนะพิสดารก็ไม่สับสนใช่บางทีนะถ้าถ้ากหนดโดยย่อได้กว้างขวางก็ไม่ไม่สับสนบาลีเขาถามว่า การยาในการตามพิจารณาเห็นความแปรปรวนไปแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจุบันชื่อว่าอุทยพยานุปัสนาญาณอย่างไรอ่นนะเห็นความแปรของธรรมทั้งหลายในปัจจุบันทําไมจึงเป็นอุทยพยานอยา่างนั้นหรือการพิจารณาอย่างไรจึงจะได้บรรลุอย่างที่ว่าบอกว่ารูปเกิดแล้วเป็นปัจจุบันรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะรูปนี้เกิดด้วยไหนตัวรูปตัวรูป กรรมเรูปจิตเฉรูปอุตุเรูปอาหารชรูปที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยที่กําลังเกิดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเป็นปัจจุบันนิพพติลักษณะลักษณะที่เกิดแห่งรูปนั้นชื่อว่าอุทยะอย่างเช่นจากภูภาษาถ้าเราก็เกิดอยู่ทุกอนุขณาจิตใช่ไหมโสตภปปาษาท่าคานาชีวหากายะภาษาทาหาทะยะภาวะชีวิตพวกนี้ก็เกิดทุกอนุขณาจิตถ้าจิตเฉรูปล่ะเกิดทุกอะไรอุ ป, ปาทขนาดของจิตอาหารชรูป ก็เกิดทุกอนุขณะจิตที่ที่เจริญเติบโตเนี่ยนะแล้วอุตุชลุก็ทุกมีทุกอนุขณะจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นลักษณะที่เกิดขึ้นของรูปอันนี้แหละชื่อว่าอุทยะวิปริณามะลักษณะลักษณะที่แปรปรวนไปแห่งรูปนั่นแหละชื่อว่าวยะเพราะรูปเนี่ยกรรมชรุปก็เสื่อมไปแปรไปใช่ไหมเช่นตาก็เริ่มฟ้าฟางขึ้นหูก็เริ่มตึงขึ้น ไม่หย่อนเลยนะยนตึงเพิ่มส่วนอื่นหย่อนหมดน ะ, อ, ะอันนี้เป็นวยญญนะตัวที่เสื่อมไปแปลไปนี้เรียกว่าวยญญอนุปัสนาคือปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นชื่อว่ายานเห็นความเกิดขึ้นแห่งรูปและก็เห็นความแปลไปแห่งรูปแต่ที่เหลือนะต้องต้องไม่ลืมว่ารูปคือภูตรูปและอุปาทายรูปที่เกิดจากสมุทฐานสี่ก็คือเห็นความเกิดขึ้นของรูปแต่ละ สมุทฐานแต่ละสมุทฐานท้งนี้มีคําถามว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงว่ารูปแต่ละสมุทรฐานเป็นยังไง ร, รู้ได้ไหมได้นะถ้าถ้าศึกษามาตั้งแต่ต้นต้นละเอียดดีก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ขณะเดียวกันในชีวิตตอนนี้ส่วนไหนเป็นกรรมชรูปตาหูจมูกลิ้นกายหาถรยะภาวะชีวิตพวกนี้เป็นกรรมชรูปมันกรรมชรูปที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กรรมชรูปที่แปรไปแล้ว นั้นคนที่เจริญมรณานุสติจึงเกื้อกูลมากต่อการพิจารณาพวกนี้นะทีนี้ต่อไปถ้าจิตตะชูบที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงเช่นเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีจิตเป็นสมุฐานสีหน้าท่าทางกิริยาลมที่ทําให้ลุกให้ยืนให้เดินต้นต้นเ น, นี่ยนะนั้นก็เป็นจิตตะชูถ้าเป็นอุตตุชูบแหละก็แล้วแต่อุตตุหรืออุณภูมิภายในร่างกายที่มันจะ จะเกิดขึ้นบางคนนี่รู้นะว่าเหงื่อแต่ออกแล้วอะะนความร้อนเริ่มเกิดขึ้นถ้าเรื่องนี้เกิดนานๆเนี่ยน้ําตาตกแน่เป็นต้นเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วถ้าเป็นอาหารเชรูปล่ะก็อิ่มแล้วอดน่นนะเริ่มหิวเริ่มอะไรเป็นต้นแล้วก็ถ้าเสื่อมไปล่ะก็พระสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาปัญญาที่ตามเห็นถ้าเห็นเวทนาเวทนานี้ดูได้จากอะไรเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยดูได้ยังไง ก็ดูที่ห้ารูปนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสุขหรือเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าหาว่ารูปนั้นไม่ดียังไงก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้ารูปดีก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขพราะดูรูปอย่างเดียวรู้เวทนาได้เลยใช่ไหมเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วแล้วสัญญาล่ะรูปอย่างเดียวเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกลามสัญญาพยาบาทสัญญาหรือวิหิงสาสัญญาเห็นสัญเห็นรูปปั๊บรู้เลยว่ารูปอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งสัญญาประเภทใด เห็นรูปปั๊บรู้เลยไหมว่าคนอื่นเขาจะตำหนิหรือเขาจะชมรู้ได้เลยใช่ไหมสังขารนนะ่ะเห็นสิ่งนี้ปั๊บคนต้องพูดต้องวิจารณ์แน่เป็นต้นเนี่ยนี่ก็ถ้าเห็นอารมณ์ปั๊บรู้เลยว่าเจตนาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วรูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งจิตเห็นจิตได้ยินอย่างไรเนี่ยนะเพราะนั่นไะอความชํานิชํานาญในการพิจารณาเนี่ยนะจนรับอารมณ์ปั๊บเนี่ยรู้เลยว่ารูปเกิดอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นเกิดอย่างไร เลยแม้กระทั watering, ่งเอา20งหนึ่งเข้ามาจับเลยใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดอย่างไรและแปรไปอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑธรรมรมเกิดอย่างไรและแปรไปอย่างไรวิญญาณทั้ง6มีจักรคูวิญญาณเป็นต้นเกิดอย่างไรแล้วก็แปรไปอย่างไรสัมผัสทั้ง6มีจักรคูสัมผัสเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็แปรไปอย่างไรนนเวทนาที่เกิดในทวารหเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็แปรไปอย่างไรสัญญาในทวาร6เกิดอย่างไรแล้วก็ แปลไปอย่างไรเจตนาในทวาร6เกิดอย่างไรแปรไปอย่างไรก็รู้เนี่ยนะแล้วปัญหาในอารมณ์6เกิดอย่างไรแล้วก็เปรไปอย่างไรก็รู้วิตกในอารมณ์6เกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็แปรเปลี่ยนไปอย่างไรก็รู้วิจารมในอารมณ์6นี่เกิดอย่างไรแปรไปอย่างไรก็รู้ขันห้าเกิดอย่างไรแปลไปอย่างไรก็รู้อายตนะสิเกิดอย่างไรแปรไปอย่างไรก็รู้เนี่ย ถ้าสิบแปเกิด อ, อย่างไรแปลไปอย่างไรก็รู้ปฏิจจมีองค์สิบสองเกิด อ, อย่างไรแปรไปอย่างไรก็รู้เนี่ยนะอันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าอุทยาอนะรู้การเกิดและความแปลไปอย่างนี้เรียกว่าอุทยพยาญาาปัญญาอนุปัสนาการพิจารณาอย่างนะี้เรียกว่าญาณเรียกว่าอนุปัสนาญาณการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ ตามนัยยะพระบาลีในพระโยคีนั้นย่อมตามพิจารณาเห็นนิพพติลักษณะคือความเกิดขึ้นและความอุบัติอาการที่มีใหม่ขึ้นแห่งนามและรูปที่เกิดแล้วชื่อว่าเป็นอุทยะคือเห็นแต่สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นะนะการรู้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่าอุทยะอุทยะรู้เห็นสิ่งใหม่ๆห่อะนะ วิปริณามลักษณะคืออะไรก็คือเห็นความสิ้นไปความแตกดับไปอันเตนวัะยะนะนะพระโยคีนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่านามรูปนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะมีการรวมตัวหรือการก่อตัวกันก่อนการเกิดขึ้นก่อหาไม่สมมติว่าเอาคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนก่อนหน้านี้ตาของเราเขามีใครปั้นเอาไว้ก่อนไหมที่เรามาเกิดไม่มีก็มารวมตัวกันขึ้นนะจากไม่มีแล้วมามีขึ้นนะ แม้กําลังเกิดขึ้นจะชื่อว่ามีการอมีการมาจากที่รวมตัวกันหรือจากที่ก่อตัวก็หาไม่แม้ที่กําลังดับไปชื่อว่าจะมีการไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ก็หาไม่อย่างตาของเรานะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครมาปั้นไว้ก่อนใช่ไหมที่มาตั้งอยู่ทุกวันเนี่ยอตอนก่อตัวกับตอนนี้อันเดียวกันไหมถ้าใครมองว่าตาคู่นี้กับคู่เมื่อ20ปีที่แล้วคู่เดียวกันนี้ก็เป็นเอามากนั่นไง ไม่งั้นนะ ค, คือเขาบอกว่าถ้าคู่นี้กับเมื่อ40ปีที่แล้วคู่เดียวกันนะั้สมัครงานใหม่ได้แต่นี้เขาไม่รับได้เฉยเกษียณแล้กว่างั้นแล้วไอ้ที่แตกทําลายไปมันไปอยู่ที่ไหนแตกแล้วไปฝากใครไว้ไหมจากู่ภาษาทยเอามันก็หมดสภาพไปเท่านั้นเองอนะก็ทุกอย่างที่จากไม่เคยมีมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็เปลื้มแปลสภาพในที่สุดก็หมดสภาพเนี่ยนะนะ แม้ที่กําลังดับไปก็ไม่ไม่ได้ไปสู่ทิศใดทิศหนึ่งใช่ไหมแม้ที่ดับไปแล้วชื่อว่าจะมีการตั้งลงโดยการรวมตัวการก่อตัวเก็บตัวหรือผู้ใดหนึ่งบอกมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็หามีไม่มันถ้าซ่อนจริงอะนะก็คือถ้ า, ถ, าถ้ามีคลังเก็บตาไว้จริงๆ ก, งก็โอ้โหใครบอดก็เอาไ ป, ป, ปใช้ได้หมดะนะคลังเก็บหูก็ไม่มีคลังเก็บคาหน้าภาษาท่าชิวหากายยาภาษาละไม่มีะนะโดยเน้นพิเศษคือกรรมชลุบไม่มีก่อนหน้านี้ก็ไม่มี น, นะเมื่อแสดงว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะก่อนก่อนเราเกิดมาเนี่ยก่อนมาเกิดชาตินี้นะไม่มีใครที่เป็นเหมือนเราไว้ก่อนเลยใช่ไหมมาจากไม่มีแล้วมันมีขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วไปฝากไว้ตรงไหนก็ไม่มีเพรันสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้จากไม่มีมามีขึ้นที่มีขึ้นแล้วก็แปรสภาพหมดไปเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเขาดีดพินเสียงที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีการสังสมอยู่ก่อนแต่การเกิดขึ้น เสียงที่กําลังเกิดขึ้นก็มิได้มาจากที่สั่งสมเอาไว้เสียงที่กําลังดับไปก็ไม่มีการไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่เสียงที่ดับไปแล้วก็ไม่ตั้งสั่งสมอยู่ในที่ไห น, ไหนโดยที่แท้อาศัยตัวพินเครื่องดีดพินและความพยายามอันควรแก่การดีดพินของบุรุษนั้นน่ะไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หมดไปฉันใดธรรมะคือรูปและนามทั้งหมดเมื่อไม่มีก็มามีขึ้นที่มีแล้วก็หมดไป ฉันนั้นเนี่ยนะจากเสียงเนี่ยนะอย่างอย่างเสียงที่ธรรมมากำลังพูดเนี้ยเหมือนกันจะมีเสียงรอเกิดรอไหมไม่มีเพราะาในเหตุปัจจัยเสียงก็เกิดขึ้นพอพอเลิกพูดมันก็ก็หมดไปแต่เสียงมันก็ดับไปในทุกๆคํานั่นแหละก็ไม่มีการเก็บไม่มีการก่อแล้วก็ไม่มีการไปฝากเอาไวท้ที่ที่ไหนเนี่ยนะบอกว่าบันทึกเทปไว้เหรอแล้วตัวเสียงเนี่ยเอาออกมาไม่มั น, ม, นมันอยู่ยังไงเสียง เ, เพราะน่ะมันพวกนั้นมันก็ระบบปัจจัยของมันเนี่ยนะก็บกระบบปัจจัย มันเกิดเป็นเสียงหรือมันเกิดเป็นคลื่ น, น, นนะถ้าเกิดเป็นเสียงก็ต้องอะไรนะเอาออกมาดูที่ก้อนตัวเสียงมันเป็นยังไงตัวคลื่นมันก็คือระบบระบบเพราะอาศัยไฟเข้ามาประกอบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีเตโชธาตุคลื่นเหล่านั้นจะพัดไปได้ไหมถ้าคลื่นไม่พัดปั๊บเสียงมันเสียงอันใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นอีกเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามปัจจัยจริงๆ อันนี <Sur> um> ้แหละการพิจารณาโดยสังเกตนะที่กล่าวไปทั้งหมดแล้วคือการพิจารณาโดยสังเขตโดยย่อย่อยๆนะย่อยๆก็เอาใครเป็นตัวอย่างเอาพินเป็นตัวอย่างเอาเสียงพินเป็นตัวอย่างเอาเสียงกีตาร์ก็ได้เสียงกลองก็ได้นะแต่เสียงกลองท่านไม่ยกมาซ้ำเดี๋ยวเพื่อเหมือนพิจารณานามรูปนะก็เหมือนกับเสียงกลองเสียงพินเสียงสังเสียงแตรเป็นต้นเนี่ยเหมือนกันเลยจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปนะ ทีนี้ถ้าก็บอกว่าก็เป็นที่มาเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมรู้อย่างนี้พอไหมต้องรู้ยังไงเพิ่มอีกรู้ยังไงก็มาดูอุทยพย า, ยานโดยพิสดารมาดูโดยพิสดารนะในวิพังแห่งอุทยพย า, ยานนี่แหละกล่าวอย่างนี้ว่าอุทยพย า, ยานกล่าวว่าอย่างไรกล่าวว่า พระโยคีย่อมเห็นความเกิดแห่งรูปขันโดยอัฏฐาว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าคือการเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดด้วยปัจจัยอย่าลืมเรื่องปัจจัยเป็นอันขาดการก่อตัวขึ้นสังขารธรรมทั้งมวลล้วนแต่เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวถึงขันห้าก็เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดเพราะปัจจัยเหมือนอย่างว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะปัญหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิด อันนี้4ี่อย่างแล้วใช่ไหมอันนี้โดยปัจจัยสี่อย่างนะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดรูปพันธรูปที่ก่อตัวขึ้นเช่นตาเนี่ยที่ที่มันเห็นได้อยู่อย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อวิชชาเกิดตาจึงเกิดอะไรอีกปัญหาเกิดตาจึงเกิดกรรมเกิดตาจึงเกิดแล้วก็อาหารมาดูแลและการเกิดขึ้นของตาการก่อตัวขึ้นของตานี่เป็นนิพพติลักษณะของของรูปเน อันนี้แหละที่เราพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นแห่งรูปขันโดยอาการ5 5าห้าหูตานี่ก็เกิดโดยอาการ5เนี่ยนะหูก็เกิดเกิดโดยอาการ5จมูกก็เกิดโดยอาการ5ลิ้นก็เกิดโดยอาการ5ตายแต่ละส่วนก็เกิดโดยอาการ5้าเช่นหูเพราะวิชาเกิดหูจึงเกิดโดยปัจใจนะโดยปัจใจเนี่ยเพราะการเกิดโดยปัจใจเนี่ยหูที่เกิดขึ้นได้เพราะวิชาเกิดหูจึงเกิด แต่อวิชาเกิดเนี่ยหมายถึงอวิชาในอดีตนะอวิชาที่เกิดเคยเกิดในอดีตเป็นปัใจจัยให้หูตัวนี้มันมีขึ้นปัญหาในอดีตที่หมดไปแล้วนั่นแหละเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้หูอันนี้เกิดขึ้นกรรมในอดี ต, ตที่ดับไปแล้วนั่นแหละเป็นปัจจัยก่อให้หูตัวนี้เกิดขึ้นแต่อาหารในที่กา ล, ลังเป็นอยู่นี่มาอุปธรรมเนี่ยนะแล้วก็ตัวหูก็เจริญมาอันนี้พูดในสายเกิดนะเกิดกระเสื่อมอยู่ใกล้กันไห ใกล้กันมากเลยถ้าถ้ามองว่ากรรมมชรุปเกิดทุกอนุขณะจิตแสดงว่ากรรมมชรุปก็เสื่อมทุกอนุขณะจิตเหมือนกันเพราะอายุของรูปมีสิบเจ็ดขณะจิตใช่ไหมมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปบางคนก็บอกอุย๊ยนี่มันนั่งเดาเอาทั้งนั้นเนี่คาดเอากะเอาใครจะไปดูให้มันทันไหยจักครูใช้จักครูทวารวิถีไปดูสิ่งเหล่านี้ให้ทันดูได้ไหมไม่ได้เพราะจักครูทวารวิถีเนะยจิต ในในวิถีหนึ่งเนี่ยมันรูมันมีอายุรูปหนึ่งรูปใช่มจากครูทวารวิถีนี่มีอายุเท่ากับรูปหนึ่งรูปจากครูทวารวิถีเนี่ยนะรูปนี้มีอายุ17เจดขณะจิตใจากคู่ทวารวิถีเขาจึงนับตั้งแต่ตีตระพวังพวังกัจะลณะพวังกุปเจเทจนถึงตถาละมะนะัมมณารูปไปหมดอายุที่ตถาลัมมณะพอดีเนี่ยนะ มันเมื่อรู้เป็นเนตายอย่างนี้เนี่ยนะรู้เป็นตายอย่างนี้พันใครจึงกระเห็นเนาอุ้ยให้ทันปัจจุบันพันปัจจุบันต้องกระพริบตาบ่อยๆใช่ยหมก็เ<อ>พราะันการพิจารณาตัวนี้มันพิจารณาด้วยปัญญาด้วยปัญญาที่เข้าไปรู้ทั่วรู้ชาติประเหตุเกิดอ่าเหตุนี้ปัจจัยนี้การเกิดขึ้นของกรรมชรั่วทั้งหลายเกิดจากเหตุและปัจจัยนั่นเองสรุปนะต้องหมั่นทบทวนนะใน อันนี้กล่าวตามอัตกถาทีคณิกายพรหมชาลสูตรที่กล่าวว่ารู้เหตุเกิดรู้ความดับของภาษายตนาหกนะอันนี้ที่ที่แยกขยายมาเพราะคำว่ารูปนี่กว้างใช่ไหมทีนี้รูปก็ต้องมาจําแนกว่ารูปคือตารูปคือหูรูปคือจมูกรูปคือลิ้นรูปคือกายแล้วก็รูปคือหัตยะ <c oughs> อ่ารูปเหล่านี้เนี่ยนะก็มาขยายใช่ไหมคันท่าเนี่ยมาขยายเป็นธรรมะหกสิบไง ถ้าฟังให้ดีๆนะขันห้านี่แหละมาขยายเป็นธรรมะหกสิทเช่นรูปรูปประขันมาขยายเป็นอะไรอายตนะภายในห้าอายตนะภายนอกห้าครึ่งอายตนะภายนอกห้าครึ่งแล้วก็รูปอันนี้รูปเป็นอายตนะภายในห้าเป็นอายตนะภายนอกห้าครึ่งจิตทั้งหลายก็มาเป็นอะไรเป็นมนายตนะกับเป็นวิญญาณหกนะสัญญาก็เป็นสัญญาหกเวทนาก็เป็นเวทนาหกที่เหลือเป็นสังขารหมด นนะ ก, ก็กลายเป็นธรรมะหกสิบันขันหนั่นแหละขยายไปเป็นธรรมะหกสิบขึ้นแต่และส่วนแต่และส่วนเนี่ยนะถือว่าคูณห้าหมดเลยนะธรรมะหกสิบก็คูนห้านั่นแหละทีนี้พูดถึงความเกิดของรูปรูปเกิดโดยอาการหเนะพราะ ว, วิชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและนิพพัติลักษณะคือลักษณะที่ ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่ก่อตัวขึ้นของรูปนั่นแหละทีนี้ฝ่ายดับแหละเพราะวิชาดับรูปจึงดับเพราะตัณหาดับรูปจึงดับเพราะตามดับรูปจึงดับแล้วก็เพราะวิอาหารดับรูปจึงดับแล้วก็วิปริณามลักษณะคือความแปลสภาพหรือหมดสภาพของมันเองนั่นแหละนะมันก็ดับเรื่องที่ดับจริงๆนะเพราะวิชาดับเนี่ยรูปจึงดับรูปไหนดับ Hmm? ถ้าวิชาดับรูปดับหมายถึงรูปไหนดับหมายก็ว่ารูปในปฏิสนธิจะดับทั้งหมดจะว่ารูปอนาคตไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีอ่ะจะเรียกว่าอะไรนะถ้าวิชาดับเนี่รูปจึงดับอนาคตเนี่ยใช้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและดูเหมือนจะเกิดแน่นอนด้วยจึงเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นการมั น, ม, นมันเหมือนอะไรนะ คือตัดระบบมันซิง่งซะถ้าตัดระบบสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าไม่ตัดระบบสิ่งนั้นก็เกิดเมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดเราจะบอกว่าเราไปดับสิ่งนั้นได้ยังไงคือคือไปดับอนาคตนั้นอันนั้นได้ยังไงเพราะเขาจึงไม่เรียกว่าดับอนาคตเพราะเขาถ้าเขาดับอย่างเช่นดับทุกเนี่ยดับทุก elle, ในอดีตนนอนาคตหรือดับทุก elle, ในปัจจุบันถ้าดับทุกในอดีต <ubine function> อดีตมันก็หมดไปแล้วอนาคตมันยังไม่เกิดปัจจุบันที่มีอยู่ก็ไม่ได้ไปเข็นไปฆ่าอะไรมันแล้วดับทุกไหน ทุกที่จะเกิดเพราะปัจจัยถ้าดับปัจจัยซะทุกที่ควรจะเกิดก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะเหมือนกับที่จะเกิดก็ไม่เกิดขึ้นได้ปัจจัยนะถ้าไม่ตัดด้วยอริยมรรยังไง ร, รูปเหล่านั้นก็ก็เกิดเนี่ยนะแต่นี่เนื่องจากตัดปัจจัยของเขาซะรูปเหล่านั้นก็ไม่เกิดเพราะดับดับรูปที่ควรจะเกิดในภพสามกำเนิดสี่เนี่ยนะที่ถูกตัดออกไป แต่ถ้าไปดับอนาคตเอาดับทำไมมันยังไม่ถึงพรนะอวิชาดับตัวนี้หมายถึงดับด้วยอรหัตตมรรคนะรูปจะดับโดยประการทั้งปวงเพราะอรหัตตมรรคเกิดนจึงดับวิชาได้ใช่อ่อย่างคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าเพราะสำรรกวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับจากขูอ่ะเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับถ้านามรูปดับตาก็ดับถ้าตาดับถ้าไม่มีตาจักระสัมผัสก็ดับถ้าจักระสัมผัสดับจักระสัมผัสสชาเวทนาก็ดับถ้าจักระสัมผัสสชาเวทนาดับรูปปัตนหาก็ดับถ้ารูปปัตนหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับกรรมมพบก็ดับถ้ากรรมมพบดับจักระก็ดับถ้าจักระดับคือชาติดับชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาก็ดับ พลันกระแสแห่งความดับของกองทุกจะเป็นไปอย่างนี้แหละเนี่ยนะพลันถ้าทุกทวารอื่นก็ในยะเดียวกันนะเช่นถ้าวิชาถูกสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือถูกดับประหารหมดขาดแล้วอ่านะอะไรดับสังขารสังขารก็ดับถ้าสังขารดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าอะไรนะถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับโสตะก็ดับหูก็ดับ ถ้าพูดแบบย่อๆแบบโลกาณิโรธาสูตรก็พวกวิชาพวกนี้นะพ อ, พอขยายมาแล้วจะเป็นลนักษณะโลกานิโรธสูตรหมดเลยคือในสายเกิดเนี่ยเพราะตามตามที่โลกาณิโรธสูตรหรือว่าทุกขคันธสูตรเนี่ยนะสูตรว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งกองทุกเป็นต้นเช่นว่าอาศาัาศายจากครูกับรูปเกิดจากครูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิด ตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติคือจักขคู่ถ้าจักขคู่เกิดขึ้นมาชรามรณะแห่งจักขคู่ก็มีแน่แต่จักรคู่ที่เกิดมานี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโโกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตนั้นความเกิดขึ้นของจักขคู่เนี่ยเกิดได้อย่างนี้นี่คือการการสร้างตัวของจักขคู่คิดง่ายๆทุกครั้งที่เราเห็นคือการสร้าง จักขู่หมดเลยเมื่อไหร่จะเลิกเห็นนะจะได้เลิกสร้างจักขู่สักทีหนึ่งถ้าไม่เห็นนิพานอย่าหวังเลยว่าจะดับได้นะโหกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีโอหหรือโสตโสตะการเกิดขึ้นของโสตเรียกว่าชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมี ชรามรณะหูก็ชราหูก็มรณะหูตัวนี้เนี่ยนะถูกด่าไหะเป็นต้นก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตแล้วก็โรคหูเป็นต้นก็ตามมาเนี่ยนะก็โรคโสตโโรโคก็ตามมาเป็นต้นเนี่ยนะบางก็ลําบากใจหลายๆครั้งก็เพราะมีหูนี่แหละถ้าไม่มีหูไม่ได้ยินโรคหลายคนเนี่ยนะไม่ทุกเด็ดขาดเลยเพราะไม่ได้ยินเสียงคนหน่นเขาจะด่าเราขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้ยินเราจะไม่รู้สึกว่าทุกอะไรเลยไม่มี เนีนะมีดีกว่าเหรอไม่ดับไม่ได้หรอกดูท่าแล้ว น, นะะคือฟังธรรมก็เพื่อจะดับหูนั่นแหละบอกตรงที่ฟังอยู่ทุกวันก็ฟังเพื่อจะดับหู น, นะก็เหมือนอะไรนะเออเนี่ยดีนะที่ป่วยจะได้มียากินอที่กินยาก็กินเพื่อดับความป่วยไม่ใช่เหรอะเนี่ยนะน ก็นี่แหละก็พรฟังกันไม่รู้เรื่องก็เป็นอย่างไงเละไม่ที่ยอมพูดเข้ามาเข้าใจแล้วคือคืออันนี้วิธีเขาพูดบอกเขาก็จะไล่ทีละทีละทวารทีละทวารแต่เราเนี่ยไปฟังบอกขอมีอะไรนะไอ้เมื่ออันอื่นยังมีอยู่หูควรมีนะนะ่ะว่าไปนั้นนะใช่ไหมตาก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีใจก็ ย, ยังยินดีเขาขอหูอีกอันหนึ่งลนะนะนะเพื่อจะได้ฟังหน่อยอยนะังไง อันนี้เล่าว่าถ้าอันนี้เขาวิธีการสร้างเขาจะไ ล, ทละ่ทีละทวารทีละทวารแต่เราเนี่ยเออเนาะหวงมากห่วงแหนตานุถนอมดูท่าแล้วจะอีกนานเรื่องมันยาวนะไม่เป็นไรทีนี้ก็ต้องดูแล้วหูมันอะไรก็ไบนะนะระวังให้ดีนะถูกเขาคว้านเอาหูไปต้มเนะ้อหูอะไรหูฉลามเขาคว้านเอาหูนั่นแหละไปต้มเนลอนะนัะ่นแหละมันก็พวกเอ่อพวกเนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ จมูกอนัาสายจมูกกับเปลี่นเกิดขานะวิญญาณความประชุมของธรรมสามอย่างเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตันหาตันหาเป็นปัจ จ, ปาาปาาปปจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพเป็นปัจจัยจึงเกิดจมูกหรือการเกิดขึ้นของจมูกอนชาติการเกิดขึ้นของจมูกพอจมูกเกิดมาก็ชราและมรณะเนี่ยนะมีจมูกนี่แหละโว้โศกอย่างดีเลยนะ ได้กลิ่นบางอย่างก็โศกเลยใช่ไหมดอกโศกบานอะไรเงี้ยนะนะมีจมูกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะบนก็เพราะได้กลิ่นใช่ไหมนะทุกเคยเคยเค ย, เคยหายใจไม่ค่อยออกไหมเป็นหวัดซึ้งซาซึ้งซาเป็นต้นเนี่ยนะก็ทุกโทมนัสเสียใจมากานะเป็นที่ตั้งเราเพราะทวารจมูกและโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็เพราะว่าการเกิดขึ้นของจมูกเนี่ยนะจึงชื่อว่าการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล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 ชราและมรณะก็เป็นชื่อของลิ้นนะชราพยาชยาชราพยาธิมรณะก็เป็นชื่อของลิ้นลิ้นอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งความโศกมากเลยใช่ไหมโศกบ่อยไหมเอาอาหารรสไม่อร่อยไม่ให้เรากินนะโศกมากใช่ไหมได้เจอแต่อาหารที่ไม่น่าปรารถนาที่ไม่น่าพอใจอ่ะนะโศกบนก็บนเรื่องอาหารนี่แหละจะบนเรื่องอะไรนะทุกทุกเพราะไม่มีจะกินเป็นต้นเนี่ยนะพอมีลิ้นอ่ะนะแล้วก็ โทมันัตเน่ยนะเจออาหารไม่อร่อยก็เสียใจนั่นแหละไม่ถูกลิ้นอนะ่ะไหมแล้วก็คับแคลนใจลําบากใจมากกับเรื่องลิ้นนี่แหละเพราะมีลิ้นเนี่ย ล, ลำบากมากเลยนะการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์คือลิ้นเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนี้แหละทวารกายทวารกายจริงๆเราเนี่ยนะสร้างพิธง่ายๆว่าสร้างตาทุกครั้งที่เห็นสร้างหูทุกครั้งที่ได้ยินสร้างจมูกทุกครั้งที่รู้กลิ่นสร้างลิ้นทุกครั้งที่รู้รส สร้างกายทุกครั้งที่รับกระทบโพธพภะเพราะฉะนั้นปวดหัวเมื่อไหร่ก็สร้างหัวคิดถึงหัวก็สร้างหัวคิดถึงตรงไหนก็สร้างตรงนั้นเนี่ยนะโอยเมื่อไหร่จะดับได้เนาะดูชาจะยากกย่างเง น, นะพอแล้วนะอ ย, ยังไม่ได้เจริญอะไรเลยแพ้ซะละพ่านวาเองทั้งนั้นแหละวนะ่างั้นอะไรทีนี้มาดูว่าสร้างกายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมอาศัยกาย ก, ายกับโพธพภะเกิดกายญาวิญญาณความประชุมของธรรมสามอย่างเป็น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 ไม่เชื่อลองเข า, เอาบอกเขาเอาไตาของคุณไปแล้วไงหนึเฮ้ยวุ่นวา ย, วยแหลกเลยนะ น, นี่มันห่วงมากทะนุถนอมมากนะ น, นี่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะโอ้ยของแข็แล้วก็ผมขนเล็บฟันตนขึ้นมาเนี่ยผมร่วงหมดเลยนะรู้ว่าใครมาโกงให้เราด้วยนะเฮ้ยทะเลาะกันจนตายเนี่ยชาตินี้ระสังฆกรรมกันไม่ได้อีกต่อไปเนี่ยห่วงจริงๆเลยนะผมขนเล็บใครเล็บยาวๆอุตส่าห์ไว้ตั้งหลายหายปีเนี่ยแล้วใครเอากันไกลมาตัดก็เนี่ยนะ โอ้ยพยาบาทกันตลอดชาติเลยนะก็ยูยูเนี่ยนะหมอถอนฟันผิดให้เนี่ยนะหือยใส่แกล้หมอมากถอนไปแต่ครึ่งปากเลยงั้นนะหือพยาบาทที่ตรงนั้นยนตายเลยนะคือทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความหวงเหนจริงๆมันใครมากระทั่งมากรีดหนังของเราถลอกไปนิดเดียวนะโอ้ยยึดถือหวงแหนมากเลยนะแต่ยิ่งทําให้เลือดตกยางออกด้วยแล้วยิ่งหนักมากอ่ยนะสรุปเป็นที่ตั้งแห่งความห่วงแหนการรับกระทบโพตาภะทุกทวารเนี่ย คือการสร้างกายเพราะฉะนั้นเมื่อกายเกิดเรียกว่าชาติกายนิชราเป็นไหมเป็นแล้วก็มรณะในที่สุดแต่ตั้งกั่มีกายเนี่ยนะโศกบ่อยไหมตั้งกั่มีร่างกายตั้งแตเกิดมาในโลกเนี่ยนะออามาว่าเกิดมาชาตินี้ไส่เก็บพน้าตาไว้เป็นถั ง, งๆแล้วมั้งถังเล็กๆก <laughs> ันอนนะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสแล อุปายาตก็เกิดขึ้นตั้งแต่มีกายใช่ไหมตั้งแต่มีกายเนี่ยโศกบ่อยๆเสียใจบ่อยๆปวดบ่อยๆเนี่ยนะว่าบางคนที่เกิดมีศีรษนแล้วไม่ป่วยศีสันนี่ไม่กี่คนนะนะที่มีร่างกายแล้วไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยป่วยนะนะมีไม่กี่คนโดยมากก็ป่วยเป็นปกติเนี่นะเป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยสารพัดชนิดแต่ว่าก็มีความแก่เป็นปกติในที่สุดก็แตกทําลายตายไปเป็นปกติเพราะฉนนั้นปกติเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะรักษาไม่ปกตินี้ จเจริญต้องจเจริญไหมรักษาอนุรักษ์มันต่อไปไหมเออให้เกิดเป็นปกติแก่เป็นปกติตายเป็นปกติก็ธรรมดาปกติดีทุกอย่างเพราะว่ามีความเกิดแก่ตายเป็นปกติดีไหมไม่ดีงั้นศึกษาธรรมะทําไมเนาะปันกายก็เป็นอย่างเงี้แล้วใจอ่ะสร้างใจสร้างยังไงสร้างใจก็คือสร้างอาศัยมโนกับธรรมะอาศัยพื้นฐานรวังก่อนใช่ไหมรับอารมณ์ต่างๆเกิดความคิดขึ้นมโนวิ ญ, ญญาณคิดขึ้นก็เปิดมโนสัมผัส มนุสสัมผัสเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาพมันวันๆโดยมากก็คิดด้วยอำนาจตันหาสัส่วนใหญ่นะตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานก็ยึดว่านั่นก็ของเรานี่ก็ของเราเป็นต้นเน่ยนะอุปาทานก็เป็นปัจจัยจึงมีกรรมภพเน่ยนะกายทวารวจีทวารกายกรรมว จ, จีกรรมม น, นกรรมสร้างขึ้นเพื่ อ, อให้มีใจตั้งกรมีใจมาเนี่ยนะใครบริหารดูแลราบรื่นเป็นอย่างดี บริหารใจอย่างสุกสมมนัตเลยนะมีไม่กี่คนน่ยนะมีแต่ว่าบริหารแล้วเดือดร้อนยิ่งทําไปทํามาจริงๆตอนแรกว่าจะทําด้วยความสบายใจยนะทําไปทํามาทำไมมันทุกข์กว่าเดิมอีกไม่รู้ยิ่งทําแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งทําแล้วยิ่ ง, ง, ง, งเดือดร้อนแสดงว่าใจนี้บริหารยากมากมันพยาจิตระดัดูแลท่านยากมากจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นสมควรข่าปลงพระชนสะเสเถิดไอ้พยาจิตระดัตัวนี้เนี่ยนะเลี้ยงก็แต่ไม่ใช่กินยานอนหลับนะไม่ได้แก้อะไรหรอก ันการเจริญการพิจารณาทวารทั้งหรู้เหตุเกิดของทวารทั้ง6ทีนี้ทวาร6เหล่านี้เนี่ยนะถ้าถ้าแยกให้ดีๆนะอย่างสมมุติว่าอย่างอย่างขันห้าทวารตาเนี่ยนะการที่ขันห้าทวารตาประชุมกันเช่นตากับสีจักขูวิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยคือขันห้าประชุมกันแล้วเมื่อขันห้าประชุมกันเพื่ออะไรก็เพื่อจะสร้างขันห้าทวารตาต่อไปอะนะเพราะขันห้าเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอะไร เพราะปกตินะสัตว์ทั้งหลายยึดถือในตาว่าเป็นของเรายึดถือสีว่าเป็นของเรายึดถือจักรคูวิญญาณจักรคูสัมผัสเวทนาว่าเป็นเราว่าเป็นของเราการคิดอย่างนี้นะการคิดตาว่าตาเป็นเราเป็นอัตตาของเราก็คือสร้างตาคิดว่าสีเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราก็คือการสร้างสีคิดว่าจักรคูวิญญาณเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราก็คือสร้างจักรคูวิญญาณ คิดว่าภาษาเป็นเราเป็นของเราก็คือการสร้างจากขูสัมผัสการที่รู้ว่านี่เวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอตตาของเราก็คือสร้างเวทนาไอตัวคิดว่านั่นเรานั่นของเราคือสังขารก็คือการสร้างสังขารนั้นจดลืมตาครั้งก็คือการประชุมเพื่อสร้างการเห็นต่อไปทันขณะที่เราเห็นเนี่ยขันห้าประชุมกันเพื่อสร้างขันห้าเพื่อให้เห็นต่อไปโหได้ยินเสียงคือขันห้าประชุมกันพอได้ยินปั๊บก็เพื่อสร้าง ขันห้าในทวารหูอีกต่อไปจะมูกรู้กลิ่นขันห้าประชุมกันประชุมเพื่ออะไรเพื่อสร้างจะูกสร้างขันห้าในทวารจะูหมต่อไปรับรู้รสรับรสอร่อยเป็นต้นเนี่ยนะสร้างขันห้าเพื่อให้มีลิ้นมีรสอีกต่อไปกายรับกระทบโภตภาภขันห้าประชุมกันเพื่อสร้างกายต่อไปคิดนึกเนี่ยนะขันห้าประชุมกันก็เพื่อสร้างขันหา้าทวารใจ ต่อไปพรันขันห้าในแต่ละทาวาลเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนี้พรันความเพลิดเพลินในสิ่งนี้ความไม่รอบรู้ เ, เหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนว่านิสรณะของสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอวิชากับตันหาอะไรมังม่งรรมมไมาาาา่เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมมีไหมในในทวาลทุกทวาลเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมหมดเลยพั้นอวิชาความไม่รู้จริงของสิ่งเหล่านี้จึงสร้างรูปความไม่ความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้จึงสร้างรูป กายกรร ม, มจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปตามเนี่ยคือการสร้างรูปและเมื่อมีรูปจำต้องมีอาหารมาเป็นพี่เลี้ยงให้เนี่ยนะแล้วก็รูปก็ก่อตัวกันขึ้นอย่างนี้พันก่อตัวของรูปของเวทนาก็เป็นอย่างนี้นะสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นอย่างนี้พันการเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลพรันการการที่เป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะอวิชชาตันหาอุปาทานเกิดเนี่ยถ้ามาจัดอวิชชาตันหาอุปาทาน ที่ทำให้เกิดรูปอย่างนี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยจจิงมีอนอวิชชากับตัญหาบางทีมันสัมปยุตกันนะดวงเดียวกันอวิชชากับตัญหาทำให้เกิดกรรมกรรมก็ทำให้เกิดรูปถ้ารูปเกิดขึ้นก็ต้องต้องเลี้ยงดูด้วยอาหารรูปก็เจริญเติบโ ต, ตอย่างนี้แหละเนไอวิชชากับตัญหาเกิดขึ้นให้ทำกรรมเพื่อมี เวทนาเวทนาที sa ่เกิดขึ้นจําต้องมีผัสสะมาดูแลให้ให้เข้าเปิดเวทนาจึงเป็นไปได้อวิชชาตันหะทํากรรมเพื่อให้มีสัญญาแต่ก็สัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยผัสสะอวิชชาตันหาทำกรรมเพื่อให้เกิดสังขารก็ต้องอาศัยผัสสะสังขารจึงจะเป็นไปได้อวิชชาตันหะทํากรรมเพื่อให้มีจิตจิตที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยนามรูปเนี่ยนะต้องอาศัยนามรูป อันอวิชาตันหาอุปาทานอ่นอไปอวิชาตันหากรรมอาหารนามผัสสะและนามรูปเนี่ยคือตัวปัจจัยตัวสมุทัยที่ทำให้สังสารทุก์เหล่านี้เป็นไปแล้วก็เป็นไปอย่างสืบเนื่องทีนี้ถ้าจะดับเนี่ยจะต้องมีพระขันแก้วคืออรหัตตมรักษเนี่ยนะมาตัดอวิชาตัดตันหาถ้าอาวิชาดับตันหาดับกรรมก็เป็นอันดับถ้ากรรมดับ รูปก็ไม่เกิดถ้ารูปไม่เกิดจําเป็นไม่ต้องอาศัยอาหารไม่จําเป็นเห็นไหมทีนี้ต่อไปทุกทวารอื่นๆก็ในยะเดียวกันทีนี้ถ้าจะดับอวิชชาได้จริงๆเนี่ยนะต้องเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปแปรไปดับไปของของรูปนั่นแหละคือคือคือข้อปฏิบัติที่จะทําให้ดับดับรูปได้เขียนสักนิดที่เผื่อจะลืมหมดแล้วสมมุติว่าเอารูป อะไรทำให้เกิดบ้างอาวิชชาตัญหาทำให้เกิดอะไรกรรมก็สร้างรูปรูปเวลาเกิดขึ้นจาต้องมีอาหารแล้วก็รูปเนี่ยนะก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปอย่างนี้แหละใช่ไหมอันนี้คือการความเป็นไปของรูปที่เจริญเติบโตนี้เรียกว่านิพพติพาะนี้พัตติก็คือตัวรูปนั่นแหละที่เจริญเป็นไปโดยลาดับนั้นตัวอวิชชาตัวตันหา ทำให้เจตนากรรมทั้งยี่สิบเป็นปัจจัยให้รูปเกิดทีนี้พอรูปเกิดมาก็ต้องมีอาหารมาเลี้ยงดูรูปก็เป็นไปอย่างนี้แลอันนอันนี้คือสายเกิดใช่ไหมทีนี้อันนีั น, นี้เกิดไนหะถ้าดับล่ะถ้าจะดับรูปดับยังไงก็ต้องดับอั น, นสรุปว่าอาวิชาต้องดับอ น, นดับอวิชา ดับอะไรดับตันหาถ้าตันหาดับอะไรดับกรรมก็ดับถ้ากรรมดับนะรูปก็ดับอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีอาหารมาเลี้ยงดูละถ้าถ้าถ้ารูปดับแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่งอาหารอีกต่อไปทีนี้ถ้าจะดับอวิชชาดับยังไง เรพูดถึงว่ารูปเนี่ยมีธรรมชาติของรูปเนี่ยมีลักษณะที่เกิดใช่ไหมแล้วธรรมชาติของรูปที่เกิดมาแล้วเนี่ยรูปธรรมดาของมันเนี่ยวิปริไหมอ่า น, นะวิปรินามะแปลว่ารูปธรรมดาของรูปที่จะแปรีปรวนไปเป็นธรรมดาการตามเห็นความเปรีปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับอวิชชาและดับตัญหา รู้อยู่แล้วใช่ไหมโดยปัญญารู้อยู่แล้วว่าถ้าวิชาดับรูปดับแน่ถ้าตัณหาดับรูปดับแน่ถ้ากรรมดับรูปดับแน่ถ้าอาหารดับรูปก็ต้องดับแน่นอนเพราะรูปมีความเปรไปไอการตามเห็นความเปรไปของรูปนั่นแหละคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับวิชาดับตัณหาปัญญาในระดับสูงที่ตามเห็นแต่ความเปรไปของรูปโดยส่วนเดียวจึงเรียกว่าพังคานุปสนาญาณ พังคานุปัสนาญาเนี่ยคือพวกตามเห็นวิปริณา ม, มาลักษณะของรูปโดยส่วนเดียวเพื่อดับอวิชชาดับปัญหาที่นี้ไอพังคาวตัวนี้บางพวกก็เห็นโดยอนบางพวกก็เห็นโดยอนิจจังบางพวกก็เห็นโดยทุกขังบางพวกก็เห็นโดยอ น, นัตตาเนี่ยนะเพราะในการตามเห็นโดยความแปรไปเนี่ยในตอนแรกวินิจฉัย ใ, ให้เป็นก่อนว่ารูปเกิดได้อย่างไร ทวนอีกครั้งหนึ่งนะรูปเกิดได้ยังไงเพราะวิชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัญหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดไอการนิพพติคือการสืบเนื่องการเจริญเติบโตเป็นไปของรูปพันรูปจะเกิดเกิดโดยอาการหที่นี้บอกว่าเออการเกิดของรูปนี่เลวร้ายมากร้ายยังไงก็ชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตินีมันเลวร้ายจริงๆ นี้ทำยังไงจะดับมันได้มันต้องดับเหตุสิเพราะผู้ศาสนากล่าวถึงการดับเหตุถ้าวิชาดับรูปกว่าดับถ้าตัณหาดับรูปกว่าดับถ้ากรรมดับรูปกว่าดับถ้าอาหารดับรูปกว่าดับและธรรมชาติของรูปที่เกิดมาทุกภพภูมิก็ต้องมีความแปลไปเป็นธรรมดาทีนี้ไอการตามเห็นความแปลไปเป็นธรรมดาของรูปนั่นแหละคือข้อปฏิบัติเพื่อดับอวิชชาคือปกติหมูสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยยอมนะยอมที่จะเห็นว่ารูปนี้แปลไปใช่ไหม โดยมากจะเห็นตรงกันข้ามกับความแปรไปคืออะไรตามเห็นตรงข้ามแปรไปก็คือตามเห็นแต่ว่ามันเ ท, ที่ยงโศกงามอ่นนะนะมีดูแลได้เนีย่ยนะลักษณะไอไออัตตาก็คือบอกว่าเฮย้ยฉันมีอำนาจควบคุมได้ดูแลได้เป็นไปตามบงการทุกอย่างมันไขมันคุมได้เนี่ยกินไปเถอะ อะไรลักษณะแบบนี้เป็นต้นเน่เหมือนกับว่าตัวเองนั้นมีมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้เือเกินเหมือนกับว่าคุยกันรู้เรื่องพอปื๊ขึ้นมาทีก็เฮ้ ه, ชักไม่ค่อยรู้เรื่องละ <c oughs> ปันเข้เาวิปัสนาต่อจากอุทยพยัญชนนั้นจึงเป็นพังคานุปัสนาอันนี้ก็ก็ผูกปมมาไว้ให้ให้ดูจะได้วิวเคราะห์ต่อไปนะแต่ส่วนเกี่ยวกับเรื่องเหตุเกิดความดับว่า ขันห้าเกิดโดยอาการยี่สิบห้าดับโดยอาการยี่สิบห้าเพราะแต่ละขันนี้เกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าแล้วก็จะต่อด้วยพังคานุปัสนาเป็นต้นนั้นเป็นอย่างไรก็เชื่อมเชื่อมให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็พักสั ก, ก่อนกลาดนมัตการถามพระอาจารย์ค่ะตรงมหาวิปัสนาสิบแปดที่บอกว่าอานิจจาุเป็น ท, ที่เมื่อกี้ท่านจแสดงว่าอนุจานุปัสสนากับอนุมิตตานุปัสสนานีนอันเดียวกันแล้วก็ทุกขานุปัสสนากับอปปนิหิตานุปัสสนาแล้วก็อนั ต, ตานุปัสสนาเป็นอันเดียวกับสุญญ า, านุปัสสนาทีนี้ในในข้าเรียงลําดับในมหาวิปัสสนาสิบแปดนี้มันจะมีนิพิธานนปัสสนาเวลาคาพวกนี้มาขั้นกลางอยู่ โยมก็เลยสงสัยว่าถ้ามันเป็นอันเดียวกันแล้วทำไมพอพอเกิดพวกนี้แล้วท่านไปยกอันนี้มิตรานุปัสนาแล้วก็ชุดนี้ขึ้นมาอีกตามหลังอีกรอบนึงนะคะพระอาจารย์พวกนี้เป็นปริยายต่างๆนะเป็นวิธีการแสดงโดยนัยต่างๆแล้วเอามารวมๆกันไม่ใช่ว่าแสดงตามลำถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการแสดงตามลำดับอะไรเพียงแต่ยกมาให้ดูรวมๆนะ มามาให้ดูรวมๆแต<ๆ>่ถ้าวิปั ส, สนาตามลำดับเฉพาะ อ, อนุปั ส, สนาเจ็ดเท่านั้นที่ ท, ที่ที่ตามลำดับที่เหลื อ, อไม่เรียงลำดับเลยเช่อนอะไรน ะ, ะยะถาภูตยานัทสนะเปรียาตะเปรียาทำไมไม่ยกเป็นที่แรกล่ะมัน ก, ก็ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ติดใจเพราะเป็นการเรียงเฉยๆนี <c oughs> ่มาดูข้อความในวิสุทธิมรรต์ต่อเลยนะ ที่กล่าวการเกิดขึ้นของรูปว่ารูปเกิดเพราะอะไรเกิดคือก็ต้องแบ่งก่อนนะว่าการพิจารณาความเกิดหรือความดับเนี่ยสองอย่างคือโดยปัจจัยกับโดยขณะโดยปัจจัยก็คือเช่นรูปเกิดเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดตันหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิด4อย่างนี้เขาเรียกว่าโดยปัจจัยถ้าโดยขณะก็คือนิพพติลักษณะของรูปอันนี้คือโดยขณะ เวทารูปจะดับก็ดับโดยปัจจัยกับดับโดยขณะดับโดยปัจจัยก็คือเพราะวิชาดับรูปจึงดับเพราะตัณหาดับรูปจึงดับเพราะกรรมดับรูปจึงดับเพราะอาหารดับรูปจึงดับอันนี้เรียกว่าโดยปัจจัยมีสี่ถ้าโดยขณะก็คือวิปริณามรรคขณะ